ความไร้โรคหรือสุขภาพในที่นี้มุ่งเอาความไม่มีโรคทางจิตใจหรือสุขภาพจิตดังในนักกุลปิตาสูตรสังยุตติกายขันธวารวักมีพุทธพจน์ที่ตรัสสอนขาหบดีผู้เท่าคนหนึ่งว่าท่านพึงศึกษาฝึกสอนตนดังนี้ว่าถึงแม่ร่างกายของเราจะป่วยอดอแอดแต่จิตของเราจาไม่ป่วยอดแอดไปด้วย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 ผู้ทุชนเปรียบเหมือนคนมีที่คันที่ต้องเก่าและความสุขของผู้ทุชนก็คือความสุขจากการได้เก่าณที่คันยิ่งคันก็ยิ่งเกาและยิ่งเกาก็ยิ่งคันยิ่งคันมากความสุขจากการเก่าก็ยิ่งมากและยิ่งคันมากก็ยิ่งได้เก่ามากผู้ทุชนจึงชอบเพิ่มอัตราหรือขีดระดับของความสุขให้สูงขึ้น